ฟังตามกันนะถ้าเป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่เฉียงที่พูดออกไปจากชีวิตหนึ่งยเยอะๆเเรามีเพื่อนมีมิตรทุกชีวิตก็มีเพื่อนอยู่กับตัวเรามีมิตรอยู่กับตัวเราเหมือนบอกผิดบอกถูก อยู่ในตัวเรานี้แต่ก็มีภายนอกมีความสอนนี้จริงต่างๆที่เป็นเพื่อนเราทั้งนั้นมันบ่งบอกทั้งความเท็จความจริงความพอใจก็เป็นเพื่อนนั้ น, นึ่งมันแสดงเหตุว่าถูกหรือผิด ก็มไม่พอใจนั้นบอกเราว่ากิสิ่งที่ผิดหรือผินสิ่งที่ถูกถ้าเราสังเกตดยดีๆจะได้คำตอบจะดยหลุดพ้นตอบที่ได้หลุดพ้นทุกทีเขาลบความผิดเขาลบความเขาลบความพอใจเาลบความไม่พอใจ ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ได้บทเรียนที่เป็นความเท็จความจริงจากตัวเรานี่มากมายหลายอย่างทางกายทางจิตใจทางวาจานอกจากนี้ก็มีสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กับกายถ้าเราใช้กายใช้ใจเกี่ยวข้อง มีสื่อสอนมหตาไม่หูจะหกเลื้องกายใจจึงได้แต่บทเรียนดีแม่ความทุกข์ก็เป็นบุทเรียนที่ดีเป็นสิ่งที่เขาโลกที่สุดชีวิตเหาที่ผ่านมาประส บ, บความสุขความทุกข์ส่วนความสุขนั้ น, นมันจะ มันจะทิ้งง่ายที่สุด ก, กัความทุกข์ความทุกข์มันประดับชีวิตเราประทับใจประทับใจกับความทุกข์ที่ผ่านมาได้อย่างงดํามล่วงพ้นมาได้จากความทุกข์ที่มันเกิดกับตัวเรานี่จากความทุกข์ที่เกิดจากคนอื่นที่ทำให้เรานี่ สิ่งอื่นที่ทำให้เกิดขึ้นกับเราได้แต่ตัวเรานี่ก็มีพวามแก่ความเจ็บความตายทั้งบุบอกทั้งความไมยเที่ยงความเป็นทุกข์มันต้าเขาลบที่จุดไม่ใช่ออกมาลงโทษตัวเองได้ประโยชน์เยอะแยความทุกข์ที่เกิดจากตัวเราเนี่ย ดูดีๆมันเป็นมรรคเป็นผลเหนือก่อนเกิดแจ่เจ็บตาจริงๆส่วนความสุขทิ้งได้เลยไวๆจักหน่อยส่วนควมทุกข์นี่เปดุทหนสอนตัวเราไปตลอดพบกตลอดชาติมอทาดใจเราใดที่เราเคยมีทุกข์อย่างเกียนตาย แล้วก็เลื่มไม่เป็นเป็นจริงบระดับมีคุณค่าเหมือนพระพุทธเจ้าว่าเป็นการเห็นนั้นประเสริฐคือเห็นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเห็นจริงจริงมันจะยิ้มแยี่ยมแย ม, แยมใจได้ไม่เห็นจริงเข้าไปเป็นกับมันใจเศร้าหมองนิดเดียว เป็นเป็นชิ่งที่นิดเดียวพลิกลกนิดเดียวเป็นชิ่งที่หลุดพูนอย่างง่ายที่สุดเลยดูดีๆยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติเตรียมพร้อมอยู่เสมอแ้วกือการปฏิบัติการภาวนาขยันให้มีความรู้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ค่อยจะเสียเปรียบบันลยม่ค่อยจะได้เปรียบบันลยมิเตประโยชน์มองดีๆมิเตประโยชน์ถ้ามีเป็นนักปฏิบัติจริงๆมีสติจริงๆ พระพุทธเจ้าจึงๆงนั่นมีสติอยู่ทุกกรณีจึงเป็นสิ่งที่คุณขุกเป็นคุณของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีสติอยู่ทุกๆ ก, กรณีอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นมามีสติเป็นหน้ารอบพร้อมอยู่เสมอจึงมีความพร้อม กับทุกกรณีไม่ใช่ว่าจะทำให้เสียหายบางคนก็อารมณ์เสียไม่ใช่อย่างนั้นเ่างความทุกเกิดขึ้นเอามาลงโทษนั่นไม่ไม่ประทับใจอะไรแต่ว่าเป็นจิตประทับใจก็ตรงนั่นแหละ บางทีก็อยากจะผักใสความทุกข์ออก้ก็ปอกไม่เป็นมันไปเล่นกับมันซะอันหนึ่งผักออกอันหนึ่งเอาเข้ามาอยากให้เฮ้ามาอันหนึ่งผักใสออกก็เสียทั้งนั้นเสียทั้งสองอย่าง ผักออกไปก็เสียอยากได้เข้ามาก็เสียเป็นผลกระทบต่อตัวเราเองจึงมาได้ประโยชน์ตรง น, นี้เยอะแยะอาการาต่างๆที่เกิดขึ้นกับวาากับายถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเบื้องต้นเจอเรื่องนี้เข้าพเจ้าจึง บุกเบิกไปเลยถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีความเพียรเครื่องเผากิลีตมีสญญัมจัะมีสตตินี่เป็นสิ่งที่บุกเบิกไปได้เรียบลงไปเรื่อยๆ มันก็มีแน่นอนความพอใจความไม่พอใจนี่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อถ้าเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราไม่เป็นนักปฏิบัติไม่เตรียมพร้อมก็เล่นกับสริงเหล่านี้ตลอดพบตลอดชอบ <c oughs> ดีใจเสียใจเป็นโุกเป็นทุกข์ปูเป๊ะเหมือนขึ้นน้ำ ไะเล่นกับคลื่นไปนึกว่าคลื่นเป็นน้ำเกลื่อผูความแฟบนึกว่าตัวเราซ้อกจริงบริไปช้อยมันชดขึ้นชดลงชดขึ้นชดลงแต่เราอยู่ฝังวนฝังมันไม่ใช่อยู่ในน้ำจมมาถึงที่ไม่มีนม้ำจากที่มีนม้ำ มันละได้มันทำได้ให้ดูภาษาที่สอนกันก็คือให้เป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นให้มันเห็นอย่าเข้าไปเป็นกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยงันเป็นโลกขินหน้าชมที่สุดมเยอะแยะไม่มีทางจนเลย ชีวิตที่เราร่วมอยู่ที่เราอยู่ร่วมกันนี่มีแต่ประโยชน์เป็นครอบครัวมีลูกน้อยมีอะไรแย่ๆลูกคนโตลูกคนกลางลูกคนเล็กทุกคนก็ทำหน้าที่เป็นเด็กเขาก็เรียนหนังสือ <c oughs> แล้วก็ทำหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องข้าเขาลูก โตหน่อยก็ออกทำงนานเป็นเรื่องที่น่าเโลกถ้าดูดีๆมีประโยชน์เป็นจริงประดับทั้งนั้น <c oughs> ไม่ใช่เอาความรักความช่างรักคนนั้นเกีียคนนี้ไม่ใช่เลยชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเช่นนั้น อันนั้นไม่เป็นใช่ชีวิตความรักความชังความพอใจความไม่พอใจไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันถูกต้องกว่านั้นอีกก็ยังมีอยู่ไม่เห็นอย่าเข้าไปเป็นกับมันเนื้อมันทำถูกต้องอะไรก็เรียบไปหมดเลยในโลกนี้เรียบหมดเลยไม่มีคึืนเลย เรียว่ามิตรภาพทางจิตวิญญาณันเรียบอันเดี๋ยว่าแผนเดินเรียบเหมือนหน้าของชายแผนเินเรียบเหมือนหน้าของชายศาสนาพระจีนไปไตเป็นอย่างนั้นหมายถึงจิตวิญญาณที่มันเรียบ ไม่มีขื้นไม่มีภูไม่มีแพ้ไม่มีถูกขาไปเรียบเรียบาให้เรียบเป็นเช่นนั่นเองไม่เป็นลายย่างหัวมันก็เป็นอย่างนี้มันเรียบไปเลยขื้นให้มันไม่เอาไม่ลบ บอกคืนไม่ต่อนรับไม่มีที่อาศัยไม่ให้ค่าสุขก็ไม่ให้ค่าทุกข์ก็ไม่ให้ค่าพอใจไม่ให้ค่าไม่พอใจไม่มีค่าสําหรับเราเราอยู่เหนือนี้อยู่เหนือโลกนี้ไม่ใช่อยู่บนท้องฟ้าถุงสูงไม่ใช่อย่างนั้น เรามาอยู่กับโลกอย่างนี้ความพอใจความไม่พอใจกําลรักความชังความสุขความทุกข์ลงมาอยู่กับจริยานี้มันจึงมีโอกาสเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายดูดีๆถ้าเป็นนักปฏิบัติง่ายๆ ง, ง่ายกว่าอย่างอื่นสะดวกกว่าอย่างอื่นความพอใจไม่สะดวกเลยความไม่พอใจไม่สะดวกเลยเป็นภาระ เป็นผู้มีา่านละถต่วันเร า, ามาามไม่มีพานละอันใดนั่นก็เป็นความสะดวกชีวิตนี้สะดวกที่สุดถ้าใช่ถูกต้องต้อมหลักความเป็นความจริงมันก็บอกเราอยู่ กระเจ้าก็สอนอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วก็สาธยายคำสอนที่มันไม่มีเป็นอื่นได้ก็ม <c oughs> กันลองออกมาจากปากจากเสียงจากหัวใจ สเปสังขาลาอนิจจติญาตาปัญญาญาปัจตินสเปสังขาลาทุกขาสเปสังขาลาอนัตตาอย่างตั้งหลายทางขวงมันไม่เที่ยงหรือาชีวิตคือลูลกามน้รทมทั้งหมดทั้งจิน้นมันไม่เที่ยงนั่นมันเป็นทุกข์ตนยาก เกิดขึ้นแล้เจ็เจ็บตายไปไม่มีเป็นอื่นไปได้แน่นอนสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารอันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนัดนลายอันสิที่เป็นสังขารและวิสังขารสังขารคือมีชีวิตจิตวิญญาต์คลองเคลื่อนไหวเป็นร่อนเป็นหนาวเป็น สิ่งไม่มีสังขารเลว่าวิสังขารไม่เคลื่อนไหวไม่เป็นก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นก้อนหินแผ่นดินอากาศเคลื่อนไหวไม่เป็นก็ไม่เที่ยงกันทั้งนั้นโลกโอกาสโลกต้องฝ้าอากาศเป็นดินเวลาลก่อนเมฆดวงอาทิตย์ไม่เที่ยงทั้งนั้น สังขารโลกคืออยู่ในชีวิตเรานี่ก็ไม่เที่ยงทั้งนั่นโลกมีสองอย่างโอกาสโลกสังขารโลกนี่ถ้าอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้แต่เราอยู่เหนือจริงเหล่านี้ยผู้ปฏิบัติธร้อมจะอยู่อยู่เหนือจริงเหล่านี้ ให้าพากันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันทําให้เราสูงได้อยู่เหนือได้พอพอยใจแล้วก็อยู่เหนือแล้วขึ้นมาแล้วผมไม่พอใจก็ขึ้นออกมาแล้วเหนือขึ้นมาแล้วสูงขึ้นมาแล้วทุกทุกครั้งได้ความสูงจากสิ่งที่ ผิดตันละถ้าพูดแล้วนะเลยขมไวทุกข์จากสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละอย่าปอยู่ต่ำ ม, มันอุราณท่านยังว่าอยู่เมืองบนเห็นคนขี่ช้างอยู่เมืองล่างเห็นช้างขี่คนคือมันใจต่ำคอจะให้อะไรทับถมง่ายสุขก็ทับถมง่ายทุกข์ก็ทับถมได้ง่าย ความักความจังทุบทับผมอยู่ตลอดเวลามใช้ชีวิตไม่เป็นมาใช้ชีวิตใหม่นับว่าชีวันนับว่าชีวันคือชีวิตใหม่ใม่ขึ้นมาซะใหม่เอี่ยมจริงๆริงไม่เปื้ไม่เปื้อนกับวันลายสุข ก, ก็ไม่เปิดอเปื่อนทุกข์ก็ไม่เปื้เปื่อน ผมพอใจผมไม่พอใจไม่ได้ปเปื้อนเลยหรือว่าผมมจาจอนบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเส้าหมองนี่คือชีวิตของเราจะมีค่าแล้วก็ไม่มีชีวิตไหนที่จะมีค่าอย่างนี้ได้นอกจากคนเรานี่ที่มีรูปมีนาม บ่ไม่ใช่แต่ใช่ไม่ถูกก็เป็นโทษดหน่าสงสารกฎสัตว์นันอื่นต้องพึ่งพาอาศัยจึงอื่นอย่างเก็บรีละฤดูนี้ก็หนาวเนี่ยต้องพึ่งอาศัยจึงอื่นต้องมีผ้าห่ม ไม่เหมือนไก่ไม่เหมือนวัวเหมือนควายไม่เหมือนนกเหมือนจอดต้นอื่นเลยร้อนก็ต้องมีที่พึ่งหนาวก็มีที่พึ่งอาหารก็มีที่พึ่งต้องหาต้องทำมาเยอะแยะไปเลยจน หมดจากโลกไปก็มีทังทั้งที่ไม่ต้องมากกว่านั้นทั้กินอาหารมากกว่านั้นอีกทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจ <c oughs> มันอาจจะสิ้นเปลืองกับอาหารที่เป็นระบบเลงกระหารคือคำข้าวที่เคลืนเข้าไปทางปากอัน อันที่จริงที่บริอุปโภคนั้นหลายกว่านี้จนจะหมดจากโลกไปแล้วก็่ใช่จริงที่บริโภคจริงๆไม่มากไม่ถึงกับผู้เขาแผ่นดินที่บดไปป่าไม้อาละต่างแตกคนก็มันก็พออยู่พอกินกับโลภโสภ า, าจนคนอื่นขาดแขน แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยจึงเป็นชีวิตที่เป็นความพอดีนี่เป็นการแบ่งปันแ้าเป็นบุญจริงก็แบ่งปันถ้าเป็นกุศลก็แบ่งปันถ้าเป็นมรรคเป็นผลก็แบ่งปันกันนี่คือชีวิตจริงไมิตดแบ่งปัน ต้องกระเพือกเกิดทุกขุมเมืองหมายถึงแบงปันในหัวใจเรานี่ยโบรานท่านจึงพูดไว้าสุตนตพิดก ว่าผลโบกันนีตกลงมาผู้อยากเก็เปียกก็เปียกผู้ไม่ต้องการจะไม่เปียกก็ไม่เปียกตั้งทแต่ตีเป็นผลตกลงมาผู้อยากเกบเปียกก็เปียกผู้อยากไม่ไม่ต้องการเปรียกก็ไม่เปียกได้ถึงข่าวไมปไปอย่างนั้นจริงๆ รามถ้าจึงว่าฝนตกหองจงพ้นสมาเปียกบัดหนองทุงกวงๆสมาแห่งไงผงฝนตกหนักๆจอมปวกที่ต้องสูงเปียกเลยบัดหนองเบิงหนองแห้งๆอยู่ หม่อถึงจิตใจของคนจุกมันบอกทุกมันบกผู้ที่เกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นเงเปิดเพื่อนเอาผู้ไม่ผู้เกี่ยวข้องถูกต้องก็ไม่ต้องเปิดเพื่อนผู้ที่มีใจสูงอยู่เหนือ ไม่อยู่กับตำให้มันทับถมได้ถึงผู้ใจสูงจิตวิญญาณสูงเื่กขัดมาสูงเวลาเก้าแรกเลยทีเดียวขอใจถอนลงมาไม่พอใจถอนลงมาอ่าไม่จะสูงขึ้นเรื่อยๆไปใช้รักษณะเดียว ไตลอดไม่มีอะไรอื่นอีกอาใช่อย่างนี้ปฏิบัติธรร ม, มยิ่งแค่เท่าไหร ย, ยิ่งบ้าผู้เจ้าจึงมีสิีในลักษณะนี้ทุกกรณีได้ประโยชน์จากที่ที่ผิด ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ถูกไม่ได้ผักใี่ออกไม่ได้เรียกเข้ามาจ้องกันแล้วเข้ามาไม่ต่อเสียของที่มันล่อเยอะแยะในโลกนี้ยึ่งเขาจะจับสัตว์เขาก็ไม่เหยื่อล่อ เอาหนึ่ง้อยเอาเข้ามาอันหนึ่งผักใส่ออกก็อยากเหมือนอาจารย์ิสารพูดว่าฉัจนจะจับสัตว์เอาเหยื่ล่อบางกัเข้ามาจิ้นก็จับได้ยีประเภทหนึ่ง ให้มันได้หลอกล่อสัตว์เทนไก่ป่าถ้าอยากจับไก่ป่าเอาไก่บ้านไปล่อเอาไก่บ้านไปล่อให้มันขันไก่ป่ามักจะมีเขีดเดนของเขาเอ๋เป็นการปลุกคองกันแบบหนึ่ง เอาไก่บ้านไปขันได้เขตที่มีไก่ป่าขันอยู่เมื่อไก่ป่าตัวมันอยู่ในแดนของมันคองอยู่นั่นไก่ตัวอื่นไปขันขึ้นมันก็ ม, นกมันก็โกรธมันจะมาขับไล่ออกไปเออะไรอยู่เนี่ยมันมาใหญ่ตัวนี้ทําไมวิ่งมาจะมาขับไล่มาสีซะแล้วก็ดักบ่วงไปล่อรอบไก่บ้านแล้วมาติดบ่วงเอาก็ ติดตั้งนานอันหนึ่งดึงเข้ามาอันหนึ่งครับใสออกไปติดทั้งนานลอกเสียทั้งนั้ น, กก น, นดึงหนีออกไปขับเร่ อ, ออกไปตถวงเกียดไม่อยากได้กเสียทั้งนั้นความพอใจกเสียทั้งนั้นความไม่พอใจก็เสียหายทั้งนั้นนี่คือชีวิตของเราอยู่ในโลกเราอยู่ในโลกแห่งนี้มานานเท่าไหร่ขึ้นมาดูจริง มีสติอยู่ที่มีสติเตรียมเพิ่มดูจีให้มีโอกาสทำงานเรื่องนี้จริงๆแม่เราทำอื่นก็เพื่อการนี้โดยตรงลหลายอย่างชีวิตเราไม่มีหลายอย่างที่จะต้องทำให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์โจคนดินประโยชน์นนชนต่อ อะไรพระเจ้าจึงสอนพระสง์ยาตต ะ, ะประโยชน์ประโยชน์ต่อยาดโลตต ะ, ะ, ะประโยชน์ประโยชน์ต่อโลกพุทธเจ้าประโยชนประโยชนต่อพระศาสนาพวกเราก็ไปเดินธรรมญาตาเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ประโยชน์ต่อโลก ตีข้องล่องเปล่าบอกก่าวเปล่ารองไปยังลักสมีของผู้เขาลูกนี่ทั้งล่างข้างบนเดินทางที่เจ็ดวันเจ็ดคืนได้ประมาณจักสิบหมู่บ้านบอกไปที่นอนบ้างไม่นอนก็ไปพักวัดต่างๆกอยกินอาหารกลางวัน พยายามไปสานกทศเรื่องนี้เรื่องสิ่งแวดลอ้อมประโยชนต่โลกประโยชต่อพระศาสนาเราก็ได้ฝึกตนเฉียสละก็เราอยู่ในวัดก็ทำหน้าที่นี้ช่วยกันทำหน้าที่เวลาฝากคกละฝ่ายเป็นเดียวกันบอกการสอนกัน มี่ประโยชน์ตั้งนั่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นสอนตัวเราอยู่คนเดียวก็ยังได้สอนตัวเองดีอยู่คนก็ได้สอนตัวเองอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังการกระทำการพูด ก, การจาได้สอนทั้งขึ้นทั้งลงพวกเราก็สนุกไปกับ ธงบรรยาตานอนกับแผ่นดินบ่าไม้ปักกฏปักเต้นกันตามวัดส่วนมนต์กลางแดดกลางแจ้งหนาวก็หนาแต่ว่ามันก็สนุกมีมีดมีเพื่อนตั้งเด็กตั้งเล็กวังครอบครัวกอุ้มลูกเดินทุนเดินทาแม่ตาไปด้วยกัน จนจบลูกสองคนพ่อว่วงคนหนึ่งแม่ว่วงคนหนึ่งเดินไปด้วยกันมีทั้งปัญญาชนระดับหน้แพทย์แพทย์หญิงนกเตอร์ต่างๆเดินไปด้วยกัน ตั้งเด็กทั้งผู้ปันก่อนั้งผู้เท่าที่สุดคือหลวงพว่อกรมแม่แม่เพง่งแม่ขี้เพลง8ปดสิบแปดปีเดินไปกับเพื่อนน้องๆก็เดินเหมือนกันรู้สึกแข็งแรงกว่าอยู่วัด น, นะความดันก็ไม่ค่อยจะมีไปอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันธรรมชาติ อันมีมตรมีเพื่อนก็เป็นเกิดความรักกันความทุกข์ความยากความลาบากทำให้เรารักกันยิ่งกว่าความสนุกสบายความสนุกความเลื่นเริงเงนี่ยไม่มีประโยชน์ตรงความยากลําบากแต่มันเที่ยงเงนไม่ได้มันรักถึงหัวใจกำหัวใจกันไปได้ ความรักที่ได้จากความทุกข์ความยากความลําบากมาด้วยกันเนี่ยมันผูกผ๋วใจกันจริงๆได้ความรักที่เป็นธวรมชาติคือความยากลําบากไม่ใช่หลความรักเพราะความสนุกสนานอันนี้เพื่อนร่วมกินหาง่ายๆความร่วมตายนี่คือความทุกข์ยากลําบากด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผูก กิดใจไว้ทิ้งกันไม่ได้เย่นเราอยู่นี่สี่สิบกว่าปีเนี่ยมันมีความรักต่อที่ดีรักผู้ลักคนลักสัตรายาสละชิงม้วก็ทิ้งไปได้ก็เกยหาบของขึ้นเขาเกยแบกของขึ้นเขาหล่มบากมาด้วยกัน ไข่ป่ามาเรีย ع, สู้กันจนน้บากกัแบดบงกับปา่ากับอันตรายมีช้างมีเสือมีสิงแล้วก็สู้กันมาจะรอดมาได้เนี่ยมันมันทิ้งกันไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็ไกลเราไปเรื่อยๆ เราก็ปล่อยเที่มาหน่อยทิ้งใดพอจะช่วยเราก็ช่วยจนสุดหัวใจเหมือนกันมันหมดไปเรื่อยแล้วนอนกลางแจ้งดูแสงเดือนแสงดาวมันไม่เหมือนสมัยห้าสิบปีก่อนนะแต่ก่อนเดือนหงายมองเดือนกลางคืนเนี่ย มันเห็นมันเห็นเหมือนกับตัวคนเลยอยู่ที่นั่นเขาว่ายา่ยายา่ยายา่าย่าจอมสวนเดืออะไรพระใหญ่กรมญนะาจอมสวนตําเ่าไปเจ้าเมองดูต้องไม่เอาเดือนหงายเนี่ยเรื่องเดือนพิจิกาเนี่ยอันหงายกดมันใช้ขวดทุกๆเดือนด้วยดูฝนหมดใหม่ๆไม่ยังไม่มีผนเนี่ย ไปรูฝนเนี่ยเรือนหน่มองดูเดือนเนี่ยเห็นคนเคลื่อนไหวอยู่นั่นด้วยเรียกว่าใหญ่ย่าจอมสวนตำข้าวมาหยุดเลยนั่นอะ่ะท่วงกะดูดูดดโอนชมแสงเดือนเดี๋ยวนี้ดูไม่เห็นเลยแสงเดือนอมันมีเรือนกระจกบังไ้ดูไม่เห็นพอเป็นรูปเฉยๆไม่รูจะห ว, วังสวยเหมือนเมื่อก่อน เงินดาวก็ไม่สว่างสวยัยต้องฟ้าก็ไม่ใสเหมือนเมื่อก่อนเหลือนกระจกที่เขาว่าคุ้มไวเขื่มนปิงที่เหมือนประดับไม่โกดน้ำก็หมดไปแล้วเมื่อมันเพี้ยนไปหมดก็กระทบกระเทือนต่อสัตว์โลกผู้คน อาหารการจ้นก็อาจจะไม่ก็ไปกา ม, มาให้เราจ้นก็ได้มันหมดธรรมชาติธรรมชาติหมดไปพืชบางชนิดไม่ออกลูกปลูกไม่ขึ้นต่อไปเม็ดข้าวก็จะอาจจะปลูกไม่ขึ้นแต่ทํอย่างไงพวกเรานะเราจึง ขยายกิดตรมออกไปช่วยธรรมชาติจึงมีจิตกรรมธรมรมญาตาปีที่สิบสี่้วก็ไม่มีทางไปอีกแล้วจังตีคองล่องป่าบอกเก่าไปลองตามหมู่บ้านต่างๆให้ช่วยกันลูกหลานเราจะอยู่ที่ไหนมันหมดไปแล้ว น้ำแพงปว่าน้ำมันน้ำเดินแพงกว่าน้ำมันไม่เคยมีสมัยก่อนนะกินน้มที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้น้ำกวนหนึ่งต้องข้าพปรุงวิ่งกว่าปลูกข้าวจีิงอย่างเครื่องวัดภูเขาทงเลยห้าแสนบาทเครื่องกองน้ำสวยกว่าหนึ่งก็ไม่กี่ เท่าไรก็เป็นสิบบาท5้าบาทแล้วเป็นความาาพับของคนสบายทุกวันดีไม่เหมือนสจ่ห้าสิบปีก่อนแล้วประมาทไม่ได้จึงเราก็ต้องช่วยกันสอนกรรมาฐานช่วยกันสอนให้คนรู้จักโลกมาช่วยโลกให้มันทันเวลาสักหน่อยเรียกว่าโลตัิยา ยาตตะเจียทุกคนติมยญาติกับทางนั้นเพื่อนรมเจลียรมเจ็บร่มตายศรัทธาลาจริงสามารถที่อยู่ด้วยกันได้รักกันได้ไม่เลยเลือกที่รักมากที่อย่างนั้นออก็เลยกลับมาบ้านแล้วขอโทษกับพวกเราเช่นนี้ปัน